พุทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะดิฉันสันนินาคพงศนะคะขอนําท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสรสนีสนทนาซึ่งเป็นรายการที่จะทําให้ท่านได้กใกล้ชิดพระพุธองมากที่สุดนะคะคือนําธรรมะที่พระศ า, าสดาประกาศไว้และท่านเคยตรัสว่าในการล่วงไปแห่งพระพุทธองนั้นสิ่งที่ท่านต ร, รัสสอนนี่แหละจะเป็นศาสดาหแห่งพวกเธอทั้งหลายรายการนี้เรามุ่งเน้น ให้นอกเหนือจากได้รู้ทำแล้วได้นำออกไปปฏิบัติในส่วนของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยหลายคนคิดว่าจะต้องไปกลถึงไปวัดที่มีการสอนการปฏิบัติเราก็จึงยกการสอนการปฏิบัติจากวัดแห่งหนึ่งที่มีการสอนโดยตลอดนั่นะคือวัดป่าดอนหายโสอดอนธานีโดยพระอาจารย์ที่ ได้เป็นผู้ฝึกสอนนั้นนะคะก็มาเป็นผู้ให้ธรรมะกับท่านและมาฝึกปฏิบัติให้กับท่านด้วยตั้งแต่ตอนต้นของรายการซึ่งขอเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่ความพร้อมเลยนะคะที่จะพบกับพระภิกษุรูรปนี้นั่นคือพระภัยบุญอภิปุลโนค่ะกราวนามสกานค่ะท่านคะเชิญพานในการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการที่เรามาสังเกตลมหายใจของเราลมหายใจที่เราหายใจอยู่เป็นประจำปกติคืออากาศที่มันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย มันก็จะเป็นลมมีการเคลื่อนไหวเขาก็เรียกว่าลมลมที่เข้าไปในร่างกายของเราก็เรียกว่าลมหายใจลมที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าลมหายใจออกแต่ลมหายใจตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้คือทุกๆลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยร่างกายของเราก็อายุสั้นลงไปลมหายใจหนึ่งคือใกล้สู่ความตายก็ไปลมหายใจหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ด้วยลมหายใจนั้นจะไม่ใช่แค่ทําเราให้มัน ไปสู่ความตายแต่ทําให้เราสู่ความไม่ตายด้วยนะเพราะว่าสติที่เราตั้งขึ้นจากการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนี่อันนี้เป็น1ในทางทางที่จะไปสู่ความไม่ตายนะทางนี้ก็คืออริยามรรคเมืงแปดเรามาระลึกถึงลมหายใจของเรานะสมาสติของเราตั้งขึ้นสมาสติตั้งขึ้นอย่างนี้กนะ็ทำให้สมาธิเกิดขึ้นไดนะ้เรามีทิฏฐิมีความเห็นที่ว่าเราจะต้องมาระลึกถึงลมหายใจเอา้านั่นก็เป็นสมาทิฏฐิด้วย นะมีสัมมาทิฏฐิแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาหมดแลนะก็ค่อยลุ่มลาดเอียงเทไปเหนะมือนกับแม่น้ําสายใดก็ตามมันก็ต้องไหลไปสู่มหาสมุทรแต่เรามาคอยระลึกถึงลมหายใจของเราเรื่ อ, ๆอยๆอย่างนีนะ้สักวันหนึ่งมันก็ไปนิพพานได้ถึงจุดนิพพานได้ซึ่งจิตที่เราจะต้องตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยเป็นจิตที่ต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะอย่าเป็นผู้ลืมหลงลมหายใจให้เป็นผู้ที่ตั้งสติเอาไว้การรู้เรื่องราวอะไรอื่นๆต่างๆเนี่ย บางทีเราก็ลดลงบ้างก็ได้นะมีความจําเป็นที่ความสําคัญน้อยกว่าพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องทําความรู้อริยสัจให้เกิดขึ้นเนี่ยได้เปรียบเทียบไว้ตรัสกับภิกษทุที่ชื่อมาลุงกยบุตรเอาไว้อย่างนี้ว่ามาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกสอนที่อาบด้วยยาพิษยอย่างแรงกล้ามิดอมานญาติสายโลหิตของเขา ก็จัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแต่บุรุษผู้นั้นกลับกล่าวสีอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักผู้ที่ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์ปรามเวศสูตรชื่อไหนนามสกุลอะไรเสียก่อนแล้วเราไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักบุคคลผู้ยิงเราว่าเป็น คน ผ, ผิวสองสีผิวดำหรือผิวขาวสูงต่ำปานกลางเพียงใดแล้วเรายัางไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นถ้าเรายัางไม่รู้ว่าธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเก่าทันเยก่อนแล้วเราไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นถ้าเรายัางไม่รู้ว่าสายที่ใช้ยิงนั้นเป็นสายที่ทำด้วยผิวไม้ไผ่ปอเอน็นป่านหรือเยื่อไม้ ชนิดไหนเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นทําด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูกหางของเกาทันที่ใช้ยิงนั้นเขาเสียบด้วยขนปีกนกแรง้งนกตระกุมหรือนกชนิดไหนเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าเกาทันที่เขาใช้ยิงนั้น พันด้วยเอ็นบัวเอ็นควายหรือหนังชนิดไหนแล้วเรายังไม่ต้องการถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นมาลุงกัจยบุตรข้อนี้เขาไม่อาจรู้ความข้อนั้นได้เลยต้องตายมาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท่อุปมาณนี้ฉันใดอุปมายก็เช น, นั้นเหมือนกันบุคคลที่กล่าวว่า เราจะยงไม่ประพฤติปฏิบัติในทางคําสอนของพระบรุิเจ้าเสียก่อนจนกว่าพระองค์จะตอบปัญหาเรื่องทิฏฐิ10ประการเสียก่อนแล้วและตถาคตก็ไม่ตอบปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกับุตรเธอจงซึมทราบสิ่งที่เราไม่ตอบไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่ตอบคือเรื่องของทิฏฐิสิประการที่ว่าโลกที่ยัง หรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่ตอบส่วนสิ่งที่เราตอบคือปยาก่อนไว้คือสัจจะที่ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ตันี้เป็นทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นเรื่องที่เราปรยาก่อนเหตุใดเล่าเราจึงปยาก่อนเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมระนิพาเนเพราะในขณะที่เรามาีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยเป็นการที่เราพยายามที่จะมารู้อริยสัจอยู่แล้วระนิพานสาธุค่ะค่ะดงั้นก็คิดว่า อาจจะมีบางคนกําลังสงสัยเหมือนมาลงกิยบทเลยนะคะอคือรู้สึกว่าเอากระทั่นเปิดประเด็นไปแล้วว่าทิฐิ10ประการนั้นที่จะไม่ตอบเป็นอย่างไรก็เลยแทนที่อยากจะไปรู้อริยศสตร์นี่อยากรู้ก่อนว่าทิฐิ10ประการนอกเหนือที่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นอยานะคะอ่าทิฏฐิสิทธประการเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นความเห็นที่เขาถกเถียงกันอยู่อย่างด่าดื่นในยุคพุทธกาลไหนใช่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงกายกับจิตที่มันอันเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละอัน ตายแล้วจะไปเกิดอีกไหมโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีแล้วก็พระบุตรเจ้าที่จะมาเกิดอีกมีไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยเป็นเป็นทิฐิที่บุตรเจ้าแบบไม่ตอบไม่พูดถึงเลยนะเพราะอะไรเพราะอะไระเพราะว่าถึงแม้ถ้ามันจะโลกจะเที่ยงจริงๆหรือโลกจะไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นไปเพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ปนทุกข์ได้ถ้าโลกเที่ยงทุกข์ก็ยังมีอยู่ดีถ้าโลกไม่เที่ยงทุกข์ก็ยังมีอยู่ดีเอา้าเรามาแก้ทุกข์ดีกว่า เพราะว่า <Okay. S 1> ต่อให้โลกเที่ยงจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาปฏิบัติเพื่อแก้ทุกได้ต่อให้โลกไม่เที่ยงจริงๆก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยอยากจะให้ท่านฟังทั้งหลายได้สนใจในเรื่องวิธีการสอนของพระพุทธองค์จะทรงมีอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบ แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่เมื่อคิดตามเนี่ยโอ้โหแจมแจ้งเลยนะคะที่บอกว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยสอนเสียบอกยิ่งอยากจะรู้อีกว่าใครมาแทงเราอยากจะรู้รายละเอียดของลูกศร อ, อย่างโน้นอย่างนี้โอ้สุดยอดคําสอนเลยคะ่ะทีนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณอุปมาประมาณอันหนึ่งที่จะสอดคล้องกับเรื่องนี้เป็นประสูตรที่ต่อต่อกันไปเนี่ยที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าด้วยแต่ที่ว่าต่อให้ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ย คุณก็ควรจะมาทําความรู้อริยสัจให้เกิดขึ้นก่อนที่จะไปดับไฟที่ไม่ผมไฟไม่เสื้อผ้านั้นนะคือประมาณนี้ทีนี้ประเด็นตรงนี้ที่อาตมาต้องการพูดถึงก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ต้องดับไฟหรือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องหยุดงานของคุณแล้วก็เอางั้นฉันไปบวช ด, ดีกว่าไว้ฉันจะต้องรู้อริยสัจนะมันมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเอาเอาเรื่องที่ใกล้ๆตัวกันหน่อยดีกว่านะคุณโยมติวอาตมาต้องการยกตัวอย่างเช่น คุณไปประมูลงานหรือว่าคุณอยกตัวอย่างเช่นเรื่องง่ายๆที่ใกล้ตัวของเราคุณทําอาหารเป็นต้นคนที่ทําอาหารคุณนาอาหารออกมาแล้วอาจจะอร่อยหรืออาจจะไม่อร่อยแต่ถ้าคุณทําอาหารอร่อยเนี่ยไอเรื่องการทําอาหารอร่อยก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะปฏิบัติตามบุรียัสสสีได้โอเคนะแต่ถ้าคุณทําอาหารไม่อร่อยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติตามบุรียัสสสีไม่ได้เพราะการปฏิบัติตามบุรียัสสสีมันอีกเรื่องหนึง มันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารจะอร่อยหรืออาหารจะไม่อร่อยอันนี้อาตมาต้องการจะเปรียบเทียบเรื่องอาหารอร่อยกับไม่อร่อยเนี่ยเป็นเหมือนกับเช่าพวกทิศถิสิประการเหล่านั้นอะคุณจะทํางานเก่งหรือคุณจะทํางานไม่เก่งต่อให้คุณทํางานเก่งก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติตามอริยสัจสได้เพราะมันไม่แน่คนเก่งแล้วเหลิงก็มีคนเก่งแล้วยกตนข่มท่านก็มีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะมารู้อริยสัจสปฏิบัติตามมรรคแปดได้อันนี้ยกไปก่อนนะหรือถ้าบอกว่าคุณทํางานไม่เก่ง ไม่มีความรู้ปัญญาไม่มีไม่ได้จบด็อกเตอร์แต่ก็ทํางานงงกไปของฉันนะก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะเริดตามมักแบบไม่ได้เพราะถ้าคุณรักษาศีลได้คุณไม่พูดด่าใครว่าใครควยจะพูดไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้ด่าใครว่าใครอ้าวอันนั้นเนี่ยคือคุณเจริญมากได้แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะบ่งบอกคุณทำไม่ได้ก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยต่อให้ไฟมันจะดับ หรือไฟมันจะไม่ดับมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะมารู้อะไรสักไม่ได้แต่ที่เราต้องทำเนี่ยคือความเพียรความพยายามความอุตสาห์อย่างยิ่งที่จะให้เราเนี่ยไม่ออกนอกมัดค่ ะ, อ, ะอันนี้เป็นอุ ม, มามที่เรามายกขึ้นมาเพื่อจะย้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นน ะ, ะ ว, ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันค่ ะ, ะซึ่งดิฉันเข้าใจว่าคนที่ยัมีปัญหาในลักษณะเรื่องทิฐิสิทธิประการเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียนหนังสือมากมีความรู้มากประสบความสำเร็จมากใช่ท่านั้หลายเหล่านี้บางทีพอเราชวนให้มาสนใจเรื่องคําสอนของพระศาสดาก็จะมีคําถามแปลกๆจริงๆนะคะถามแบบท้าทายใช่ไม่ใช่บางทีไม่ใช่คิดมากค่ะเหมือนกับว่าประลองปัญญาพระพุทธเจ้าดิฉันเจอมาหลายคนนะคะเป็นแบบนี้เยี่ยมมากพถามแบบนี้ดิฉันจะหนีเลยอันนี้ก็คือลักษณะของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งยังมีอยู่ยังไม่ลงใจเต็มที่ว่างั้นเถอะ ค่ะแล้วบางทีไม่ใช่ไม่ลงใจที่พระพุทธเจ้านะคะเหมือนกับบางทีติดใจในพระสงฆ์อืมคือเหมือนกับก็จะชี้ว่าโอ้ยถ้าพระยังทําแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปวัดเราก็ค่ะเออมันก็คนละเรื่องกันอี ก, น, กนึกออกไหมเป็นข้ออ้างที่กิเลสเนี่ยมันจะเอามาใช้ได้กิเลสในใจของเราจะอามาใช้ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจพระพุทธองค์ก็คือเหมือนกับดีทังเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านได้ศึกษาอะไรมากๆแล้วเนี่ย ท่านก็นมาลงที่ว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์พื้นๆอยู่กับตัวเองแต่มองไม่เห็นนั่นก็คือว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงมาทีหลังจากการที่เป็นความทุกข์ที่เมื่อเราเกิดมาถูกต้องถูกต้องเ ร, เราจึงต้องสาวไปตามเหตุของมัน คือถ้าเราไม่เกิดเราไม่มีทางเผชิญหน้าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไอย่างนั้นเถอะนะคะคือประเด็นก็คือว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็จมปลักอยู่ต่อปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปเห็นปัญหเหตุของมันได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีปัญหาเฉพาะหน้ามันก็สําคัญสําหรับขณะนั้นเลยนี่แหละคือประเด็นว่ามันไม่ใช่จําเป็นมว่อคุณจะทําไม่ได้ตรงนั้นค่ะเข้าใจไหมต่อให้คุณจะข้าปัญหาไม่ได้เหตุนั้นยังอยู่อยู่ เหตุของความทุกข์อย่างที่อาลรยมาพูดเช่นว่าคุณเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายอ่ะค่ะนะเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ได้ค่ะหรือแม้คุณจะสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่แน่นะคุณอาจจะปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ได้ก็ได้ค่ะอคือคือถ้าไม่คิดจะปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะหรือว่าบางทีปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างนี้เป็นยังไงคะท่านคะอันนี้ก็คือทำอยู่แล้วเป็นคนดี อ่ะอันนี้คือดีอ <NXT> ย <card> ู่แล้วไงไม่มีปัญหาต่อให้คุณจะตั้งเจตนาหรือไม่ตั้งเจตนาก็ตามการปฏิบัติตามนี้มันก็จะไปตามทางของมันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะทําไม่ครบอย่างนั้นไหมคะคือคือถ้าเราถ้าเรามีความตั้งใจมันก็จะละเอียดรอบครอบพระพุทธเจ้าใช้ท์นี้ว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ค่ะคือถ้าเราทํำแบบทํามั่วๆไปแบบฟุ้กลุกไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทําได้แต่จะไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ค่ะ ก็ได้ประโยชน์จากคุณลุงไม่รู้เป็นคุณลุงหรือเปล่าไม่รู้แต่ชื่อมาลุงกยียมบุตรมาลุงกยมบุตรนะเป็นเรียกเป็นนามสกุลเขาเป็นนามสกุลอ๋อคะอ่ะเป็นนามสกุลของบุคคลในครั้งพุทธกาลใช่ของพระรูปหนึ่งคือพระรูปนี้ตอนนั้นก็ไปนั่งสมาธิหลีกเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยก็เกิดความคิดว่าเออฉันอยากจะมารู้เรื่องพวกนี้แฮโลกมันเที่ยงหรือเปล่าพระเจ้าจะมีอีกไหมกายกับจิตมันเดียวกันไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งถ้าเบอกว่ามารู้เรื่องพวกนี้ แล้วก็มันก็จะเนิ่นช้าไปค่ะจริงๆก็ไม่ใช่คําถามที่ไร้สาระนะคะเป็นสาระนะครับสําหรับคนมีปัญญาเนี่ยบางคนเขาสงสัยจริงๆในเรื่องยากๆเขาก็อยากรู้เพียงแต่อพอรู้ไปแล้วอาจจะเสียโอกาสถ้าจะไปรอคําตอบพวกนั้นที่พระพุทธองไม่ตอบอันนี้คือพระเจ้าตอบพระนะตอบพร ะ, ะที่มาบวชแล้วแต่แต่บางทีคําถามคําตอบของคําถามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอื่นนะคือคือพระเจ้าเนี่ยสมมติมีคนมาชวนคุยเรื่องแบบ ไม่ได้เรื่องอะเช่นเรื่องแบบดูดวงบ้างเรื่องทิฏฐินั้นนี้อะไรบ้างเนี่ยพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ตอบนะแต่ตอบเรื่องอเยสสีเท่านั้นคือตอบเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะ <c oughs> คุณดึก <c oughs> <c oughs> คุณโยมเดี๋ยวก็นึกออกไหมดิฉันนึกออกครับเพราะ <c oughs> ว่าเอาได้เจอพระสงฆ์หลายรูปอยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วดิฉันก็เลยนึกเห็นใจพระนะบางทีโยมไปวัดนี่ก็ไม่รู้เลยว่าคําถามพวกเนี้ยพระพุทธองค์ยังไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินตามพระพุทธองค์ก็ ย่อมต้องไม่ตอบอืมก็ยังอุตส่าห์ไปถามแบบไปถามอวแบบ่าอะไรเงี้ยจริงๆนะคะเหมือนกับบางทีเราไปวัดอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะพยายามบอกเลยว่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วต้องไปถามคําถามพวกเนี้ยอืมกับพระอ่าน่าเห็นใจพระเหมือนกันใช่ ค, คือคือเรื่องที่บระชาวให้พระพูดได้เนี่ยอ่าคือพูดไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่เราเคยพูดเป็นนาฏกรรมอี่ยเช่น เรื่องเมืองหลวงเรื่องท่าน้ําเรื่องตอกทางเดิเรื่องของฟุ่มเฟือยเรื่องของมั่งมีอะไรพวกเนี้ยพู ด, พ, ดพูดไม่ได้เลยไม่ควรพูดเลยเพราะเป็นเด ร, าารัจฉานกถางั้นที่ฉันจะสมมุติให้ฟังว่าจริงก็อยากรู้จริงเหมือนกันนะคะถ้ามีใครตอบได้ท่านคะที่เขาว่ากันว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยท่านภับูรณ์พอจะทราบบ้างไหมคะอะถ้าสมมุติอธิมารได้รับคําถามนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุดโสมของบ้านเมือง ถ้าเราถ้าจะมาจะไปคุยต่อว่าเออใช่ใช่ได้ทําข้อมูลพวกนี้มาคนนั้นก็พูดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นาทีของเราละเพราะว่าคนที่เขาเก่งกว่ามีเยอะแยะนะที่เขาจะมารู้เรื่องพวกนี้นักวิทยาศาสตร์อต่างๆเขาทําการวิจัยมาอันนั้นให้เขาไปพูดเถอะนะแต่ถ้าพระสงฆ์จะพูดเนี่ยควรจะพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุเกิดทุกอย่างนี้อย่างนี้เป็นความดับของทุกอย่างนี้อย่างนี้เป็นทางดำเนินถึงความดับทุกคือพูดว่ามันดึงมันลงให้เข้าเรื่องอริยสีให้ได้อะ ไม่ว่าจะมายัางไงก็ดึงลงให้เข้าเรื่องอริยสัจสให้ได้นดี่คือหน้าที่ที่ต้องทําถ้าใครฟังเมื่อวานหรือบางคนอาจจะฟังอยู่แล้วนั่นแหละค่ะเป็นวิธีตอบใช่นะคะของพระในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าใช่ใชท่านตอบซ้ําอีกครั้งได้ไหมคะยังไม่จืดนะคะเรื่องเมื่อวานก็คือว่าภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคนที่จะรอดก็มีอาจจะ ม, มีคนที่จะไม่รอดก็อาจจะมีแต่ถ้ามีความแก่ความตายเนี่ยทุกคนไม่รอดแน่นอน แล้วพระเจ้าจึงเตือนให้เรามาแก้ปัญหาตรงเรื่องของความแก่ความตายนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความตายว่าอ้าเราอยู่ต่อนหน้าความแก่เราอยู่ต่อนหน้าความตายเรายังผาสุกอยู่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ภัยพิบัติอะไรที่จะมาเนี่ยมันมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามเราก็ยังจะผาสุกอยู่ได้ถ้าเรามีจิตใจแบบนี้นั่นคือจิตใจที่รู้อริยสัจสตรงนี้นะคะค่ะกับพร้อมๆ ก, กับการที่เห็นโลกเขาเป็นอย่างนั้นคนเขามันเห็นจะจะตายอยู่แล้วนะคะอุ้ยแผ่นดินเพิ่งไหวใช่หรือว่า อเกิดเหตุการณ์อื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปรอให้มันเกิดหรือไม่รอให้มันเกิดอืก็ทําซะท <ำ S 1> ําได้เดี๋ยวนี้เลยใช่ <c oughs> เอาเอาอย่างง่ายๆว่าสมมุติคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักชนิดที่รักษาไม่หายเนี่ยเอถ้าเราอดทนนะคืออดทนไม่ให้อกุศลมันเกิดแต่ทุกเวทนาอาจจะมีอยู่อาทุกเวทนากับอกุศลมันคนละเรื่องกันนะ อ่าไม่ใช่ว่าเราจะไปจมแช่อยู่ในความทุกข์อันนั้นก็ไม่ดีแต่เราอย่าจมแช่อ ย, อยู่ในอกุศลในเมื่อกุศลเกิดเราก็รัทิ้งอ่านี้แสดงว่าคุณจเจริญมากแป๊บละดีค่ะเดี๋ยวฉันได้ยินจากคนใกล้ชิดเนี่ยเพิ่งเล่าให้ฟังว่าคุณหมอบอกกับพัญญาซึ่งหน้าเลยว่าคุณมีเวลาอีกปีครึ่งอืมขนาดปีครึ่งนี่ก็ตั้งหลายร้อยวันแล้วนะคะ เรายังมาถามตัวเองวุ้ยถ้าเป็นฉันตายแน่นอนพระพูดเออไม่ใช่หมอพูดแบบนี้หมอเนี่บางทีพูดดูดวงแม่นกว่าหมอดูอีกนะใช่ค่ะอืทีนี้ถ้าจะให้ทำมะก็ต้องก็ต้องอยังไง<อ><อ>ก็ได้นะฟังปุ๊บแบบนี้ก็คือว่ า, าสครู น, <ต>นที่พูดไปอ่าตอนนี้คือมีมรณส ต, ติมาถึงเราละก็คือมีคนมาเตือนเรื่องความตายและความตายอยู่เฉพาะหน้าพระเจ้าให้พิจารณาว่าเอ๊ะบาปอกุศลอะไรที่ยังมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมีอยู่หรือไม่ ที่ถ้าเพื่อบอกว่าเราตายไปแล้วจะไปสู่ที่ไม่ดีจะมีความเดือดร้อนอา่าถ้ามีให้ระจิบทําความเพียรอย่างที่พูดมาเนี่ยด้วยความฉันทะด้วยความอุตสาหะด้วยความพยายามอย่างยิ่งด้วยความไม่ถอยหลังเพื่อที่จะล่า บ, บาปอากุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเนีย่ยต้องไี้ทําโดยด่วน แ, แต่ถ้าพิจารณาอยู่แล้วว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้มีบาปทําอะไรประเพภท น, นั้นมากนะในใจฉันก็ยังทรงดีอยู่ได้ก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทคุณควรจะมีปีติด้วยคุณควรจะมีปราโมท ด, ด้วยสบายใจได้เลย แนวว่าการตายของเราจะไม่ต่ําสามนะท่ามกลางความเจ็บไข้ใช่ก็ให้พยายามคิดแต่เฉพาะเรื่องพวกนี้ให้ได้ใช่เป็นเรื่องที่เป็นกุศลค่ ะ, ะในทางต้นข้ามนะคุณยมติว๋วก็ต่อให้เราเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงเราก็อย่าประมาทมัวเมาตรงเนี้สําคัญค่ะอืมอแล้วก็คนที่เป็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะเข้าข่ายในลักษณะของอสุดตรงสองข้างนะ คือคือพระรูชาก็เคยตรัสเอาไว้ว่าตอนนั้นที่พระองค์ทาความเพียรชนิดที religion, ่ท้องกิ่วเนี่ยเป็นโพธิสัตอยู่เนี่ยเอ่อโดยได้รับทุกขเวทนาอย่างมากแต่ว่าไม่ได้มีการเจริญเรื่องปัญญาแต่แต่ถ้ามีปัญญาแล้วร่างกายได้รับทุกขเวทนาอย่างนั้นก็บรรลุได้เหมือนกันก็บรรลุได้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุได้รับความทุกขเวทนาอย่างนั้นขนาดหนักเนี่ยการที่จะมาหาความสุขในภายในบางทีมันยากบางทีมันยากนะ อันนี้ <olina. S 1> ได้ตรัไว้อันนี้คือสุดตรงข้างหนึ่งที่ไม่แนะนําให้ว่าให้กระทํำ <olina. S 1> สุดตรงอีกข้างหนึ่งที่ไม่แนะนําก็คือความชุ่มอยู่ด้วยกามเออบยิ่มเพลียมพร้อมด้วยกามบาคุณหลงเลงไปตรงนั้นมันก็จะยากเพราะว่าคุณจะถูกดึงได้ง่ายในการยากในการที่จะมารู้อริยสัจนั่นก็จะเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องโอ้ยงั้นฉันก็อยู่จนจนสมซ่ออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็ขับรถดีๆอยู่บ้านรู้มีสุขภาพดีได้แต่ว่า อย่าไปมีกา ร, รในสิ่งนั้นนะก็ต้องสุดโตง่งข้างหนึ่งเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นก่อนที่จิตใจของเราจะไหลไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยคุณควรจะรีบทําก่อนตอนนี้นะเพื่อวัดสถานการณ์นั้นมาถึงคุณจะได้เป็นผู้ที่อยู่อย่างภาสุขได้ค่ะนี่นน ค, ค, คือประเด็นในเรื่องนี้ว่ามันสามารถทําขนานไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่วัดไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฉันจะต้องหยุดงาน แต่ก็คุณทํางานไปนั่นแหละคุณก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่คุณก็ทําไปด้วยได้ค่ะบางคนอจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าบางทีญาติคิดตัวเองนะคะพอมออีพี่น้องป่วยหนั ก, หน ก, หนกเห็นถ้าจะไม่ดีเนี่ยก็จะหาทางนิมนต์พระบางคนสะดวกก็นิมนต์พระไปเยี่ยมคนไข้แต่บางกรณีที่ไม่สะดวกไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มีพระ ไปโปรดไม่ได้ก็เลยใจเสียอืซึ่งที่จริงแล้วไม่ไม่จําเป็นก็ได้ถ้ารู้ถ้าฟังรายการแบบนี้ก็ยกเอาสิ่งที่ท่านเพริบุญได้แนะนําไปเนี่ยปฏิบัติคู่ขนานไปกันเลยใช่ะะใช่ใชดังนั้นที่ฉันขออนุญาตสรุปประเด็นทั้งหมดที่ได้กราบเรียนถามท่านมาในวันนี้นนจะอ่าพระสูตรที่ท่านนำมาอ่านให้ฟังพร้อมๆกับให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติทำไปด้วยคือพระสูตรเกี่ยวกับมาลุ่กยจบุตรนั้นพระพุธโธมุ่งเน้นให้ อย่ามัวไปกังวลกับคำตอบที่ไม่มีคำตอบที่เรียกว่าทิฏฐิสิทธิประการหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ท่านสัมผัสอยู่ในตอนนี้ที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เปรียบเสมือ น, นว่าเราถูกยิงด้วยลูกศรถ้าไม่รักษาโดยโด่วนเนี่ยตายแน่แล้วยังมัวถามคำถามที่ไม่จำเป็นอยู่อีกหรือปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรค ในการที่จะทำให้เราเก้าวหน้าในทางทำอยู่อีกอย่างนั้นใ ช, ใช่ไหมคะใช่คะอันนี้คือประเด็นหลักๆนะคะก็คิดว่าพอควรแกเวลาที่จะกลาบนามัส ก, การขอบพระคุณท่านเพื่อที่จะเหลือเวลาสำหรับการที่จะประชาะสัมพันธ์กิจกรรมวิสาขบูชาของสถานีกันสักหน่อยนะคะใค่ะกลับนมัศ ก, การ ะ, ะท่านคะนั่นคือพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจวัตปารนายโซอุดรธานีซึ่งที่นั่น ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับทุกๆคนนะคะสนใจก็ติดต่อไปมีทุกเดือนเป็นคอร์สค่ะส่วนที่จะประชาสัมพันธ์นั้นเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยหาประสงค์จะไปมีกิจกรรมร่วมกับท่านฟังรายการหลายๆ า, ายรายการของสถานีวิทยุครอบครวัวข่าวสททรอยเนี่ยนะคะทางสถานีนี้ก็ได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่าก่อการบุญขึ้นมาที่วัดปฐุมวนาราม โดยจะนัดให้ท่านทั้งหลายได้ไปสวดมนต์ทวัดเย็นและเวียนเทียนกับพระสงฆ์ที่นั่นตั้งแต่เวลาสา0โมงเย็นถึงสองทุ่มก็จึงเชิญชวนทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาจะสนับสนุนให้ผู้ที่ไปทําบุญนั้นได้สะดวกสบายาหายจากความกระหายต่างๆตั้งโรงทานกันหรือว่าท่านที่มีความประสงค์ จะไปร่วมในกิจกรรมอย่างได้รับการลงทะเบียนถูกต้องนะคะก็ติดต่อมาในรายการในในเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เรียนจะให้เขาจะคัดเลือก20คนจากแต่ละรายการเนี่ยนะคะไปหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ติดต่อก็คือ021266106021266106 สามารถโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงจนกระทั่งวันพฤหัสศสุกดีนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าฟังยังไม่ละเอียดต้องการไปฟังให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเปิดวิทยุทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มสี่สิบห้ารายการชื่อบางกอกสนทนานะคะก็ ติดต่อกันไปสำหรับรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนำเอาความรู้ที่ได้จากคำสอนของพระาศาสดาไปปฏิบัติกันนะคะเพื่อชีวิตที่จะได้พ้นจากความทุกข์ตามที่พระพุทธองค์ได้ส่งค้นพบจากการตรัสรู้ขององค์ท่านค่ะพุทธสวัสดีค่ะ